นี่เป็นเดือนออกพรรษาแล้วนะเป็นวันที่หนึ่งตุลาห้าหกวันนี้แล้วก็เป็นวันฝนตกอีกต่างหากวันนี้ตามไม่จริงเดือนตุลารนะู้สึกว่าฝนจะร่อยหลอนะแต่ปีนี้รนะู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ไม่รู้ฝนยังตกอยู่เนี่ยทินฟ้าอากาศเมื่อวาน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 ต้องมีครูบาอาจารย์ของท่านอีกเพราะว่าทําทอะไร ก, ก็ต้องเรียนตามพ่อก่อตามครูมาทั้งนั่นแหละพอหลงปู่สาวหลวงปูงป่มั่นก็มีครูบาอาจารย์ที่เป็นฝ่ายมหาทั้งสมัยนั้นก็นกนคือเจ้าคุณอรยะเวทีมหามหาเสง่งปุตโศเสง่งต่อมากระหลวงตามหาบัวก็เขียน แนวทางของหลวงปู่มั่นแต่เอาเถอะหลวงปู่มั่นกับแนวทางพระพุทธศาสนาอันดับแรกก็คืออยากจะเรียนให้ทราบสะก่อนว่าแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านทำยังไงแต่ก็ไม่ไม่เท้าความมากเท้าความาเฉพาะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้วันเดือนหกเพนวันเดือนหกเพที่พุทธคยา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 หาบยาคายเดินผ่านมาเห็นสิทธัตถะนั่งอยู่ตามลำพังอยู่ที่โครนต้นโพที่เง่าต้นโพนายสธยะก็เลย น, นำยาคายแปดกำมือเข้าไปถาไวายสิทธัตถะสิทธัตถะท่านก็ได้รับยาคายจากนายสธิยะคงจะเห็นถูกเคารบเลื่อมใสชะตามองเห็นกันก่อนนั่นะเกิดความเคารพเลื่อมใสนับถือนายสธยะก็นำยาคาเข้าไปมอบให้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 พอเกิดชาญเกิดยานะทนะเกิดขึ้นแล้วพระ อ, องค์น้อมกิตใจของพระ อ, องค์ล้ำลึกชาติผลหลังได้อันนี้แปลว่าวปุกเพในวาสานุสติญาณในตอนหัวค่าคือมองพระ อ, องค์เองข้ามาจากไหนเรามาจากไหนมาอยู่ที่นี่ได้พระ อ, องค์ก็ย้อนย้อ น, ย, อนย้อนดูอดีตแต่ชาติของพระ อ, องคอ์คืออดีตคือเมื่อวานวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนพบก่อนชาติก่อนอันนี้เราบอกอดีตชาติ ปุกเพยในวาสานสุสติยานพอถึงเที่ยงคืนพระองค์มองดูสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเป็นมาอย่างไรท่านก็มองเห็นมองว่าอืมจุตูตตปะปาตญาณเกิดญ า, าณทัศนะเกิดฌานขึ้นมาอีกมองดูสรรพสัตว์ในโลกอันน้นจุตูตปะปาตญาณการจุติการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทาไมมาเกิดด้วยอันใดมาที่นี้ทําไมคนไม่เหมือนกัน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 ถ้าใครทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็จะตามสนองอดีตกรรมแต่ปัจจุบันนกรรมใ น, นเข้าเถอะถ้าใครไปทำความชั่วไปป้นไปจีบไปขโมยไปทาผิดกฎหมายเขาก็ต้องเอาไปเล่นงานเข้าไปขังไปในคุกอีกเหมือนกันเพราะทำกรรมชั่วแต่กรรมชั่วจะนี่มันส่งผลในอนาคตด้วยเพราะนั้นกรรมชั่วอย่าทำเสเลยดีกว่า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 ร้องผมร้องให้พิไรธรรมพันพันมาจากพบมาจากชาติไล่เลียงลงไปแล้วมาจากอวิชชาคือตัวไม่รู้มาจากความโง่ปัญญาเนีเกิดมาจากความโง่ถึงที่นั่นเมื่อออกจากความโง่แล้วเนี่กอบพบ่อชาติกิเลสเป็นผู้พานากิเลสราคะโทสะโมหันนำกิเลสตรงนั้นนำใจตรงนี้มาเกิดล้มลุกคุกคลานไปด้วยาบางทีก็ ใช้กรรมด้วยโทสะบางทีก็ใช้กรรมด้วยโทมราคะบางทีก็ใช้กรรมด้วยโมหะคือความรุ่มหลงมัวเมานี่แหละกิเลสโลภโกรดหลงนี่แหละราคะโทสะโมหะเล่นงาน เ, เป็นเครื่องพานําจิตใจตรงนี้ล้มลุกคุกคลานไปเรื่อยๆแต่นี้พอมาถึงพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วน่ยใจตรงนีเ้เป็นมาด้วยกิเลสกิเลสพานํามาเวียนไหวตายเกิด พระ อ, องค์จึงใช้ตปรธรรมเลอสินสมาธิปัญญาตปรธรรมคือสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นคือมรรคแนี่สัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาสา ม, มาธิเป็นประโยชน์สารคืออันสุดท้ายคือในมรรคแนั้นพระ อ, องค์ก็ใช้ม 8, รรคแดตปธรรมคือเผากิเลสให้มันหลุดออกไปจากพรัทยใจของพระองค์ให้ใจเป็นอิสระให้ใจเป็นไทย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 หลวงปู่เสารหลวงปู you, ่มั Likewise, we <te> ่นท่านก็ให้ภาวนากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกถ้ากําหนดลมหายใจเข้าออกธรรมดามันหลุดได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายมันหลงลืมได้ง่ายพอพุทโธพุทโธคำสองําคำาก็หลุดไปล่ะหายไปล่ะแหมเหมือนกาหนดลมหายใจเข้าออกเข้าออกเข้าออกมันก็หายไปละท่านบอกว่าน่าจะสำทับพุทโธเข้าไปด้วย ก็ผิดไม่ผิดที่ตรงไหนเพราะว่าอนุสติ10บที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไวนะ้อนุสติ10บคืออะไรพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีราจาคาเทวตาอาณาปานสติมารณะนุสติอุปสมานุสติอันนี้หลวงปู่มั่นนามาใช้สองอย่างคืออาณาปานสติกับพุทธานุสติมาบวกกันในสองกรรมฐานให้ยึดสองกรรมฐาน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 จะนั่งตลอดทั้งคืนก็ได้นั่งตลอดเป็นคืนเป็นคืนไปเลยเดินจงกรมก็อยู่กับพุทโธตลอดเอ่อก็ไปกราบเรียนหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นถามว่าเป็นไงมหาภาวนาท่านบอกจิตใจเข้าสู่ความสงบนั่งทั้งคืนก็ได้ครับผม เ, เมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วก็ให้นำนำจิตสงบออกมาพิจารณานะ แต่ในคนไปถามอีกเป็นไงมาหาได้นํามาพิจารณาได้อย่างยังครับผมมันไม่ยอมออกอะพอมันอยู่เข้าสมาธิแล้วมันเนิ่งมันสบายมันูุมันจุกไม่ยอมออกฮะต้องออกนะถ้าไม่ออกไม่ได้อ น, นั้นเพียงสมั ถ, ถะเท่า น, นั้นเองต้องออกต้องบังคับให้ออกพอถามอีกถึงยังไม่ออกไม่ออกดุเลยแต่เนี่ยมันไม่ได้นะจิตจะให้อยู่ในความสงบอย่างนั้นเหรอสมาธิ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 อันนี้แหละคือความสุขแท้จริงในการบําเพ็ญแต่ที่แท้แหละหลวงปู่มั่นท่านบอกว่ามันเหมือนกับโลนขนขี้เกียจเขาไปอยู่ในห้องแอร์ต้องบังคับให้ออกแต่บองภาพไม่ออกพรโผลออกมาไปถูกแสงแดดเท่านั้นเองไปดูกแดดถูกฝนถูกอากาศไปทํางานน่ยมันเหนื่อยเลมันเหนื่อยไม่อยากจะออกไปทํางานยอยากจะเข้ามาพักสมาธิอย่างเก่าแต่หลวงปู่มั่นบอกว่า ไม่ออกไปทํางานไม่เห็นผลงานไม่มีผลงานเหมือนกับคนมาตะนอนอยู่ในห้องแอร์จะทํามาค้าขายให้จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานได้อย่างไรจะไปมองโลกได้ยังไงจะปกครองคนได้ยังไงจะรู้แจ้งเห็นจริงได้อย่างไรนี่แหละหลวงปู่มันบังคับให้ออกดวงตาท่านก็เมื่อหลวงปู่มันเอาจริงจังท่านก็บังคับออกออกพิจารณาคนคว้าศึกษาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นไตรลักษณ์ก่อน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 อ่เข้าไปกาบลงปูมันเป็นไงล่ะออกแล้วครับโอ้ออกจนนอนนอนนอนไม่ได้เลยครับเพราะแม่คุจานมันค้นโอ้โหมันมันเห็นคุณเห็นเอี่ยเห็นคุณจริงๆว่าเนี่ยตัวเองเป็นนอนตายอยู่ทาไมอยู่ในห้องพอออกมาแล้วจึงรู้ว่าโอ้เออมันสติปัญญาจุดนี้ไม่ใช่ธรรมดาออต้องให้สงบให้ได้นะเมื่อพิจารณาแล้วต้องเอาสงบ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 เออลราก็ต้องทำใหม่เออทั้งอร่อยไม่อร่อยยังไงเราก็ต้องทานอันนี่แหละแต่เนี่เราพยายามทำจิตใจให้เหนือกว่านั้นอีกต่อไปเนี่ยเมื่อเรามีความพยายามมีความตั้งใจใจของเราจะเข้าสู่ความสงบในระดับหนึ่งครานี้จะเป็นไม่เหมือนแต่ก่อนข้าวก่อนมันแวบเข้ามาเย็นสบายแต่คราวที่สองนี้สติกระิบนี่เป็นจะเป็นลักษณะควบคุมกันเออเหมือนกับ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 เมื่อจิตสงบจุดนี้เนี่ยว่าอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธินี่พอจิตสงบวูบพลงไปอย่างนั้นแหละเออสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนิ่งเออจะมองไม่เห็นกายไม่รู้กายล่จิตตัวนี้จะไม่รับรู้ทางตาทางหูทา ง, ทางจมูกทางลิ้นทางกายใจเป็นอิสระกัน ใจอยู่ในความสงบนิ่งเสียงฟ้าตกฝนตกฟ้าร้องเสียงรถเสียงราเสียงคู่คนอะไรก็ต่างจะไม่ได้ยินเพราะว่าใจตรงนั้นไม่รับรู้ทางกายไม่ไม่รับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นใจเป็นอิสระใจนิ่งอันนี้เรียกว่าอัปปนาสมาธิแต่บางคนก็อยู่ได้นานบางคนก็อยู่ไม่ได้นานสุดแท้แต่สมาธิการฝึกแต่เบื้องต้น จากนั้นเมื่อถอนออกมาเราก็รู้แก่ใจว่าโอ้เมื่อกี้นี่ใจของเราเข้าสู่ความสงบเห็นได้ชัดเลยไม่หลงไม่ใช่วอลหลับไปไม่ใช่เรารู้แจ้งเห็นจริงรู้ชัดในตัวเองเลยเออเกิดแล้วเกิดตายตายแลวเกิดร่างกายนี่ตายตายแน่ๆเอาไปเผาไฟทิ้งแน่ๆเอาไปฝังดินทิ้งแน่ๆแต่นามธรรมาคือจิตใจตัวสงบตัวนี้แหละ จะไปปฏิสนธิไปหาเกิดในภพภูมิต่างๆรู้ได้ชัดไม่ต้องถามใครนี่แหละสมาธิจุดนี้แหละ เ, เพียงแต่ว่าสมาธิจุดนี้ท่านรู้ได้เองว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญตายแล้วเกิดแน่นอนเพราะว่านมามธรรมใจดวงนี้นะเน่เห็นได้ชัดในความรู้สึกเนี่ยจากนั้นใจของเราก็ถอนขึ้นมาถอนขึ้นมาเป็นอุปจารสมาธิจากนั้นกระถอนมาเป็นจิตธรรมดา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 กายของเราเป็นของเราใจไม่ใจเนี่ยใจที่ผ่านความผ่านสมาธิมาแล้วจะรู้ได้ชัดเลยว่า น, นี่กายมันไม่ใช่ของเรานะอีกสักวันหนึ่งนะเอในเมื่อเราผ่านสมาธิที่อัปปนาสมาธิกายกับใจเนี่ยเป็นคนละส่วนกันมันเห็นได้ชัดเลยในเมื่อ น, นําใจที่เป็นสมาธิจุดนั้นแหละมาเปรียบเทียบกับกายกายกับใจเนี่ยมันไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวคนละอีกสักวันหนึ่งนะทิ้งนะใจนะ อีกสักวันหนึ่งเผาไฟทิ้งนะสู่ทีนน้าลมไฟนะใจนะใจสอนใจใจรู้เท่าทันใจเออใจไม่ไม่หลงกายใจไม่หลงใจนี่แหละชุดนี้เป็นชุดที่มีชุดที่ผ่านสมาธิมาแล้วสติของเราจะเต็มไปด้วยมหาสติมหาปัญญาเนะ่ะดิมันมันถึงจุดนี้นะถึงจะไม่มาเป็นมหาเขเดอะเออเป็นผู้ผมีสติ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 ใจของเราก็ไม่มาตรฐานไม่สแตนดาร์ดอีกเหมือนกันเพราะนั้นมองเข้ามาหาใจอีกมามองมาหาตัวผู้รู้อีกปล่อยวางที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจนี่แหละแนวแถวของหลวงปู่มั่นท่านไม่ให้พิจารณาพุทธโธอย่างเดียวนะใกล้ๆเป็นบาดเน่เป็นบาดฐานที่จะก้าวไปสู่วิปัสสนาเน่ยเป็นบาดแรกก็คือสมสถะที่ทาจิตใจให้สงบเป็นพื้นฐานก่อนในเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบ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 สังหารกันเป็นตัวโหรู้เออเหมือนกับเราสมัยเราเราเป็นสมัยเราไม่รู้แต่ก่อนเราไม่ได้เรียนหนังสือแต่วัจนี้เรารู้แล้วว่านึกเราที่รู้แล้วว่าที่สิ่งที่ไม่รู้นะ่นคืออะไรนะเรารู้แล้วเราก็ไม่จะไปสังหารจะไปดา่าความวาโง่ตัวนั้นได้ยังไงก็รู้แล้วจบเนะนี่แหละอันนี้ก็ขอให้พวกเราพระเณนลูกหลานทุกคนนะนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายลงปู่ ม, มั่นพาดำเนินแต่สายอื่นละ่ะสายอื่นก็ถูกท่านภาวนาท่านก็ถูกเราไม่ได้ว่าเพราะกรรมฐานของพระพุทธเจ้าม่ตั้งสี่สิบอย่างเราจะไปยึดอันไหนก็ได้แต่นี่หลงปู่ ม, มั่นท่านพาดำเนินมาท่านถ้าเปรียบเทียบก็วิชาในโลกนันมีมากมากหลากหลายวิชาในโลกหาเงินวิธีหาเงินทามาค้าขายก่อชาย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 ขบกวดที่จะใหญ่ขึ้นมาตายเจ๊งอีต่างหากผลที่สุดเลยไม่ได้อะไรนี่แหละถ้ายึดตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนิน่ให้ภาวนาพุโทโธนะยาเผลอนะ่ะให้ตั้งจิตอธิษฐานให้แนว่วแนว่เลยอธิษฐานคือตั้งใจมั่นอย่าให้มันทะเลถลหลให้ตั้งใจให้มั่นกับพุโทโธกําหนดลมหายใจเข้าออก น, ะนั่งเน่อยสิมันกี่ชั่วโมงสามสี่ห้าชั่วโมงหกชั่วโมงสุดที่ทำวันว่นวางๆอยากวันได้อย่างฝนตก